ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ตอกนี้ไปเสนอ ร, รายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะจากมือแสนไกล ตั้ใจศึาเพื่อวันขนา้างหน้าจอความรู้ไป ครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับในวันนี้ทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเรานําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้นี่มีความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนน้ํานะ ภัยแรงนี่นะครับในส่วนของมีการหามาตรการในการที่จะมาแก้ไขนะครับนะในส่วนของรัฐบาลในมอบหมายให้รองนายยงตรีพระเดกประวิทยเนี่ยมานั่งหัวโต๊ะนะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะก็ใช้งบกันนับแสนล้านก็ต้องให้หน่วยงานต่างๆมาวางแผนแล้วครับเพื่อปีหน้าจะได้ไม่ชุกหลังปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของ น้ำโดยเฉพาะน้ํำอุปโภคบริโภคนะในหลายๆเมืองนะค่อนข้างจะวิกฤตอย่างเช่นแถวภาคอีสานที่สุรินทร์บุรีรัมณ์นะครับโคราชแถวแถวอีสานใต้นี่จะหนักหน่อยนะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนคงจะต้องมีมาตรการในการที่จะมาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ําและก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจฐานฐานรากที่คงจะต้องมีการแกล้งเหมือนกัน จากการเปิดเผยของนางนารมนพินโยศิลวัฒน์ซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายยงตรีนะบอกว่ามีการเลื่อนครมสัญจรในวันที่ 19-20 สิงหาคมนะก็จะตอนแรกก็จะจัดอยู่ที่นครพนมนะก็ไปตรงกับการแข่งขันมหากรรมวิชาการนะของพวกโรงเรียนแทวภาคอีสานนะก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ใหม่หรือไม่นะครับหรือจะเลื่อนคงจะต้องดูต่อไปแต่มาตรการรัฐบาลโคศกรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ในรัฐบาลจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนที่มีรายได้น้อยคือคนที่มีรายได้ไม่เกิน 5,300 บาทต่อคนต่อเดือนมมีอยู่ถึง 40% ของประเทศบอกกันมีมีประมาณ26ล้าน คนนะครับซึ่งอยู่ในภาคเกษตรแลก็เป็นฐานเศรษฐกิจของไทยก็จะมีมาตรการที่จะมาแก้ปัญหาก็คงนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการของรัฐที่มีการแจกจ่ายงบกันทุกเดือนแล้วเนี่ยคงจะต้องมีมาตรการอื่นมีการตั้งกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับส่งเสริมความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจมีการเพิ่มอบรมทักษะ กับประชาชนพี่น้องประชาชนนะ ก, ก็ตรงนั้นก็เป็นมุมมองนะครับเป็นเป้าหมายของของรัฐบาลจากโฆศกรัฐบาลบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมุ่งไปที่นะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนะครับนะแล้วกนะ็บวกกับอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องการให้ชุมชนพึ่งตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนั่นก็เป็นเป้าหมายนะเป้าหมายของ ของของรัฐโฆษกรัฐบาลก็ก็ให้มุมมองนะครับให้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการของของรัฐก็มีมาตรการออกมาหลายๆส่วนแล้วครับนะทั้งในหลายๆพรรคการเมืองที่ไปเป็นรัฐมนตรีนะมีมาตรการออกมากันหลากหลายนะครับประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของราคาป่ามราคายางภูมิใจไทยจะ ปรับราคาค่าโดยสารนะของของรถยนต์โดยสารสาธารณะอะไรทํานองนี้นะครับรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องมาตรการมาตรการกัญชาเพื่อการแพทย์อะไรต่างๆนะ ก, ก็มีมาตรการออกมาเริ่มทยอยออกมานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะมีการประชุมกันในช่วงของวันพุธวันพฤหัส ต, ต่างๆนี่นะ การประชุมล่าสุดนนาะยกตรีไม่ไดไ้ไปร่วมนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีกระทู้สดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตว์เนี่ยนาะยกก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไปชี้แจงนะครับซึ่งเพราะว่าติดงานนะไปไปไปทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนนะครับนะที่มู ล, ลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพะบรมราชินูปธรรมนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับของเยาวชน นะครับในในในมูลนิธิช่วยคนตาบอดนะครับแล้วก็ไปมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของคอรมอเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะมอบหมายมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนายยงตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีพักฝ่ายค้านยินกระทู้สดถามเกี่ยวกับประเด็นถวายสัตว์นี่ก็ตรงนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้ไปชี้แจงยังไม่ได้ไปตอบเพราะว่า เรื่องเข้าสู่กระบวนการผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็มีกระบวนการตามกฎหมายที่รัฐบาลต้องปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะครับรอในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินนะนายกก็ให้เหตุผลอย่างนั้นนะครับนะเกียรเรื่องของกรณีที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมสภาส่วนรองนายกรีวิศนุเตืองามนะก็บอกว่าตรงนี้ได้ต้องรอผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไป ยังสารนํำนูนลหรือไม่ก็ตามแต่ขั้นตอนนะครับนะก็ต้องรอนะครับเพราะว่าเป็น อ, องค์กรอิสระตามตา ม, ตามรัฐธรรมนูญ น, นะครับส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรในชวนหลิกภัยกล่านวะถึงกรณีพลเอกประยุทธ์นาะนะยุงตรีก็ไม่ได้มานะตอบกระทู้สดนะในในสภานะครับนะกรณีถวายสัตว์ก็บอกว่ายังไม่เห็นรายละเอียดนะคือปกติแล้วก็ ถ้าไม่พร้อมก็อาจจะต้องทาหนังสือแจ้งมาที่ที่สภานะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ประธานสภาก็ชี้แจงว่าอย่างนั้นนะครับก็มีมีเรื่องที่พิจารณามีการอภิปรายสมาชิกถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนกันในพื้นที่ในหลากหลายครับเนี่ยเพราะนั้นคนที่ติดตามชมการการประชุมก็จะเห็นนะการทำหน้าที่ของของสสนะครับว่ามีการ ถามคำถามนะครับมีการถามให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาในในพื้นที่การตัดถนนหนทางบ้างเกี่ยวกับเรื่องอการตัดไฟฟ้านะครับการพัฒนาในพื้นที่อะไรต่างๆก็เป็นเป็นประเด็นถ้าท่านติดตามชมการประชุมสภาแล้วก็จะเห็นมิตินะครับของการทํางานของของสมาชิกนะครับนะแต่ละที่ว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแรงเนี่ยนะครันเอกปวิปนะครับก็ได้มาลองในยุงตีมีการประชุมแก้ปัญหาภัยแรงนะมีการกำชับนะใชนะ้ช่วยมาตรการของของประชาชนใช้งบประมาณประมาณ 1.3 ึ่งจหมื่นล้านนะครับนะซึ่งจะลงไปลุยช่วยด่วนเลยก็ที่ที่สุรินทร์นะครับมีการพัฒนาอ่างเก็บน้ําห้วยเสนงแล้วก็ อ่างเก็บน้าอําปุลนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภคบริโภคเพราะสุรินนี่ค่อนข้างจ ะ, จะวิกฤตแล้วครับนะเป็นถึงขนาดโรงพยาบาลนี่ต้องขอน้ําเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องลงมาเร่งด่วนในการที่จะมาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำนะครับใ น, ในแถวสุรินทร์ส่วนส่วนบุรีรัมนีก็มีอ่างเก็บน้ำนะํำแถวห้วยตลาดแถวห้วยจระเข้มากก็กวิกฤตเหมือนกันแต่ก็ ในช่วง 2-3 สองวันก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักก็จะเริ่มที่จ ะ, ะคลี่คลายไปได้ส่วนหนึ่งนะครับนะเพนาะนตรงนี้คงจะต้องติดตามดูเหมือนกันโดยส่วนของรองนายกรรมตุก็บอกว่าการแก้ปัญหาภัยแรงจะจัดทำงบประมาณบูรณาการในปีหน้า2563โดยในส่วนของอ สอทอนอชอก็ได้มีการวางแผนก็ประมาณด้านน้ำนะครับนะซึ่งตอนนี้นี่ก็เสนอคณะกรรมการไว้ประมาณ 17,000 รายการก็ตั้งเงินไว้ประมาณ 18,000 แนล้านนะครับในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำจาก9หน่วยงานนะครับเพราะด้านตรงนี้นี่คงจะต้องดูว่าจ ะ, ะ, ะน่าจะคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งนะครับนะโดยมาตรการหลัก ที่จะทำก็คือการเน้นให้ปฏิบัติการฝนหลวงใ น, ในภาคอีสานหรือฝนเทียมนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงสิสิงหาคมนะก็ปฏิบัติการไปแล้วประมาณ 4,000 ัวคเที่ยวนะครับนะก็มีจังหวัดที่รายงานฝนตกประมาณ58จังหวัดนะครับแต่พอในตรงนี้อันที่2เนี่ยมีการสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำนะครับในภาคอีสานในภาคเหนือ<ม>หรือภาคอื่น แล้วก็มีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรอันที่3มีการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ําจากแหล่งต่างๆคือแหล่งที่มีน้ําอยู่แล้วนะครับนะมีอ่างเก็บน้ําอยู่แล้วก็นําน้ำเนี่ยถ่ายเทมายังบึงหรือในส่วนอ่างเก็บน้ําที่ขาดแคลนน้ำนะครับซึ่ง ก, ก, ก็เป็นสิ่งที่ทําอยู่และอันที่4ี่ก็คือการปรับลดการระบายน้ําจาก สเขื่อนหลักในลุ่นน้าเจ้าพยานะครับนะเพราะว่าลุ่นน้าเจ้าพยานี่ก็เป็นมีเขื่อนหลักๆอยู่หลายเขื่อนนะไม่ว่าจะเป็นป่าศักนะครับในส่วนของชัยนาทเขื่อนเจ้าพยานะครับนะมีเขื่อนต่างๆนะเพราะว่าน้ําบางส่วนเนี่ยมีการผันมาหมา่หล่อเลี้ยงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็คงจะต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับไม่ให้น้ําในกรุงเทพขาดแคลนแล้วก็5ก็คือวางแผนการช้น้ําง จ, จาก จากรุ่มน้ำแม่กลองนะครงบก็คเป็นภาคตะวันตกซึ่งก็เป็นแม่น้ำสายหลักแถวแถวภาคตะวันตกนะครับนโคงจะใช้งบประมาณประมาณแสนแปดมืนล้านนะครับคงคงจะต้องดูลครับ ว, ว่าว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปนะครับส่วนในในส่วนของภาคอีสานเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาลําตีช่วยกเกษตรถูกส่งมาแก้ไขปัญหาที่ที่สุรินก็บอกว่า นำขบวนรถน้ำมาช่วยโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีการเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องการขุดลอกนะฮะในส่วนของห้วยเสนงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีระดับรัฐมนตรนีลงมาแล้วก็มีการจุดขุดเจาะบอ่บ อ, อน้ําบาดาล น, นะครับในในแถวเขตโรงพยาบาลแล้วก็เขตเขตเมืองนะครับก็เร่งปัญหาตรงนี้คือการ นำน้ําใต้ดิน ม, มามาใช้นี่ก็ในส่วนของบ้านเรานี่ก็ยังยังยังยั ง, ย ง, ยงทำกันยังไม่เป็นเป็นระบบนะครับในขณะที่ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มีการนําน้ำใต้ดินเนี่ยมาใช้ทางด้านการเกษตรและต่างกันกันกนันเป็นเป็นระบบมากนะครับคงจะต้องคิดถึงตรงนี้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภายแล้งอีกในปีหน้านะ ค, คงจะต้องดูนะครับมา รับฟังเพลงแล้วเราจะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ คอยนุ่มคอยคอยค่กลับมาครับมาพูดมาคุยกันกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่ในส่วนของในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแนตะ่ก็ เริ่มนะครับนะมีมาตรการในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนยงตรีก็บอกว่านะมีการเข้าพบนายงยงตรีแล้วก็พูดนําเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยตรงนีในใน้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะมีการเสนอการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มที่ราคาคิโลกรมรมละสี่บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ จะทําให้ชาวสวนป่ามีมไรายได้เพิ่มขึ้นนะก็เสนอเสนอมานะครับส่วนวกระทรวงเกษตรนะครับก็มีการเสนอให้ชาวสวนยางนะได้ราคายางลมควันชั้น3กิโลกัมละ60บาทจะต้องมีการชดเชยแหละครับ ถ, ถ้าในส่วนของราคายางไม่ ไ, ม ไ, มได้ตามเป้านะก็ต้องเอาลัดต้องเอาเงินของกลาง ไ, ไปชดเชย เหมือนกันนะครับเพราะนตรงนี้นี่ก็คงอาจจะจะต้องดูรวมทั้งกันอัดฉีดงบประมาณไปที่ฐานรากการสนับสนุนบัตรสวนดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆนะครับมาตรการตรงนี้นี่ก็เป็นมาตรการที่กำลังทำอยู่ส่วนรถไฟความเร็วสูงมีการขยับกันแล้วนะครับไฮสปีดนะครับของไทยจีนในส่วนของนาย วราวุฒิม า, าลารักษณะการผู้วาการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าได้ลงนามเชิญชวนให้มีการประกวดราคาการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสที่1ช่วงกรุงเทพไปนครราชสีมานะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็มีการประกวดราคาตั้งราคาไว้ประมาณหมื่นล้านนะครับน ะ, ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูว่าเริ่มมีการขยับแล้วนะครับนะ แล้วก็ยังอาจจะต้องมีช่วงอื่นต่อไปนะครับจากกรุงเทพมาโคราชโคราชก็อาจจะไปะที่หนองคายนะครับนะ จ, จะต้องไล่ไปเรื่อยเพื่อที่จะเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงจากจีนที่ทมาลาวของจีนมาที่ลาวมาที่เวียงจังนน์ก็เดินหน้าไปไปมากแล้วะครับเราจะเห็นตามสื่อมวลชนนี่จะมีกัน ทำทางรถไฟเนี่ยนะครับจากจีนเนี่ยมานะทางหลวงพระบางมาทางเวียงจันทร์เนี่ยนะครับนะพอจันทร์นี่ก็ถ้ามีการเชื่อมต่อนะครับได้ก็จะทํะาให้เชื่อมลงมาจนถึงประเทศไทยนีย่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่เขาเรียกว่าเส้นทางสายใหม่ใหม่นะครับหรือว่าหนึ่แถบหนึ่งเส้นทางของของจีนนี่ยแหละครับนะแต่ก็จะ ส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่าสินค้าราคาถูกจากจีนนี่ก็จะเข้ามากับมาแย่งชิงตลาดในไทยเราก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของการผลิตสินค้าที่จะสู้กับของของจีนให้ได้เหมือนกันนะครับนะเราก็จะเห็นนะครับสินค้าจากจีนนี่เข้ามามากน ะ, ะตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่ามีมากแล้วนะครับจะจะต้องปรับตัวละครในส่วนของ นักกุตสากรรมของของไทยเรานะครับเพราะว่าจะเริ่มมีการเซ็นสัญญานะครับมีการเริ่มที่จะมีการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมนะครับเชื่อมไทยจีนรวมทั้งต่อไปนี้อาจจะมีการพยายามที่จะทำเส้นทางรถยนต์นะครับอีสเวทคอ r ิดเชื่อมตะวันออกตะวันตกซึ่งอาจจะ จากในส่วนของเวียดนามมาที่ลาวนะครับมาไทยไปพมา่าแล้วก็จะโยงไปจนถึงอินเดียนะครับซึ่งซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะมากเลยคนเป็นพันล้านซึ่งถ้าเราค้าขายกับทางอินเดียได้ก็จะก็จะดีนะครับจะทำให้เศรษฐกิจเราค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเพราะเป็นเป็นตลาดใหญ่นะถ้าเชื่อมโยงกันได้ก็จะแลกเปลี่ยนสินค้ากันค้ากันขายกันก็เป็น เ ป, เป็นเรื่องที่จะต้องเชื่อมโยงเราก็คงจะต้องดูตลาดใหญ่เหล่านี้แล้ครับนะเพราะว่าเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ ข, ของของบ้านเราในขณะที่ในส่วนของการพัฒนาภายในนะก็คงจะต้องเร่งในการในการในการทํานะครับในส่วนนี้นี่ก็เห็นในสวยงานของรัฐเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะ การโครงการนวัตวิธีก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิจกรมที่ดีที่ให้ชุมชนได้เปิดการท่องเที่ยวก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ขายสินค้าชุมชนก็เป็นเป็นแนวคิดที่ที่ดีนะครับนะก็คงจะต้องมีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําท่องเที่ยวนี้ก็มีการเริ่มที่จะมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี่น่าจะเป็นจุดแข็งของแถวอีสานใต้เพราะาเรามีเส้นทางอารยธรรมขอมอยู่แล้วนะครับที่มีการศึกษาวิจัยมีชมรมของท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดพยายามที่จะมีการส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางคือจริงๆแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมนี่ก็คงโยงมาจาก นครวัดนครธมนซึ่งเป็นแหล่งเมืองหลวงเก่าของอนนาณาจักรอมโบราณนะครับนะนครวัดนครธมแล้วก็โยงมานะถึงปราสาทในประเทศไทยของเราอย่างเช่นโยงมาถึงปราสาทสะดะก๊กทมนะครับนะแล้วก็ผ่านทางสุรินมานะมีสีขอรภูมิมาที่พนมลุ้งเมืองต่ำนะครับไปที่พี่ไมย ของโคราชนะครับนะแล้วก็โยงอาจจะโยงไปจนถึงสีเทพที่ทเพชรบูรีนะหรือว่าถ้าสีสะเกดก็จะมีนะสากาแพงใหญ่แล้วก็เขาพระวิหารนะครับนะซึ่งซึ่งเป็นปราสาทขอมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปจนถึงอุบลแล้วก็เข้าไปที่ถังสาป อ, ปอลาวตอนใต้จำปาสักท์ที่ปราสาทวัดภูนะครับเพราะนั้นนี่ จ, จะเชื่อมโยง ปราสาทหินเหล่านี้รวมทั้งส่งเสริมการการท่องเที่ยวได้ได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วในส่วนของชมรมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยบอกบุรีลำมนีนะครับในส่วนของนักพิชารารบอกว่าปีปราสาทหินโบราณเนี่ยนะก็เกือบร้อยแห่งแล้วครับกระจายอยูนะ่เต็มพื้นที่ถ้ามีการศึกษาวิจัยให้ดีเนี่ยก็จะจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับ บุรีรัมที่เดียวนี่ก็มีนับร้อยแล้วนะครับถ้าบวกกับซุรินโคราดนะครับในส่วนของซีสเกตหรอุบัก็จะทําให้มีการทำทำเนียบนะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีการนักวิชาการท้องกิ่นมีการเก็บหลักฐานไว้ก็เป็นโครงการที่ดีมากสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจะสั้นเพราะควนบุรีเรามา ร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนี่ลานคุณท่านนั้นต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ภาคนาสู่กรุไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ทนอดสูเ้เผาดูจะรุ่งส่วนเทพวงใหญ่อยู่ในเมือง